ในเวลาวันพระที่โครนผมท่านมาขอเอาไปผปสมก็อะไรไม่รู้ท่านก็ปันเป็นรูปพระแล้วให้ดุกสิทธิ์ทหารอากาศสร้างท่านไม่เอาไปที่ไหนท่านก็เก็บมาถวายไววที่วัดน้องประพง์สั่งว่ากระผมสร้างพระนี้เห็นว่าดวงพ่อนั่นไม่ยอมสร้างเหรียญกระผมถึงเห็นประโยชน์ จึงได้ให้ลูกศิษย์ปัณพระเด็กๆยืนเพราะว่าพระประธานในวัดนงประพง์นี้ก็เป็นพระประธานยืนแต่ว่ายืนอธิบายจับชี้แจงสองมือไม่ใช่มือเดียวอย่างเงี้ยทำเป็นสองมืออย่างเงี้ยแต่เป็นพระปางปฐมเทศนาได้มีคนถามมาล่องพ่อไอ้พระ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 มันดุกมันนีหลวงพ่อมาแล้วเนี่ยชาตมนเสียงหลวงพ่อมันโดนกันดังสวเสียเสวเสียเสวเสียมานพวกเฮโรอีนทั้งนั้นนาจิงโก้ทั้งนั้นเนี่ยอันตรามาก็จะทำยังไงเนาะอ่นี่คือมันไม่เข้าใจไปทำความชั่วอยู่ก็เป็นเช่นนั้นแต่พระมันแขวนอยู่ในคอมันไม่ด้สึตตัวเพราะมันไม่เข้าใจพระถ้าเข้าใจพระ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 ไอ้คนจนเนี่ยมันก็มันจนมันไม่รวยไอ้คนรวยมันก็ไม่แบ่งเดี่มก็ชวนกันก็ไปโป้นเท่านั้นมันไม่แบ่งไงไม่ไม่มีกินจะทำยังไงมันเป็นเชนั้นไม่วาดแต่มนุษย์โดยแม่สุนัขเราก็เหมือนกันดองดูทีให้มันกินตัวเดียวดูสิมีไหมสุนัขที่บ้านเราเคยมีไหมมีสุนัขสองตัวสามตัวไหมเอาให้มันกินตัวเดียวสิลององดุเถียง เออน่ะมันจะโดดขยำกันตรงนั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันนั่นธรรมชาติมันเหมือนกันอย่างนั้นอืมแคนั้นที่วัดนี้หรือสาขาออกจากวัดนี้พยายามให้สอนว่าเอกราบทั้งหลายที่มันเกิดมาในทีน่นี้เช่นว่าโยมกอนิมนท์พระไปสวดมนต์เย็นเก้าองค์อย่างนี้อัตามาก็จัดไป9ก้าองค์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 ถ้าพูดเป็นสิ่งที่มันหนักหนักขึ้นไปก็เช่นว่าเงินหรือทองนี้อย่างติยมมามาถวายนี้ก็ไม่ใช่ของพระพระเดียในวัดเนี้ยในญาตไม่มีศักสตางค์ทุกองค์ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นอาตมาเชื่อพระพุทธเจ้ายังไม่กี่ปีมาแล้วแต่ก่อนไม่เชื่อท่า น, น, นเงินทองญาติโยมถวายมาทําไมมันบาปทําไมมันผิดเนี่ย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 ที่มันเหลือมีอยู่นั่นก็มาบอกผมเป็นคนปวนารณาเป็นพุนปวาระาจะไปที่ไหนมีประโยชน์ไหมไปอุบวนไปทาไมไปเล่นไม่รับรู้ถ้าไปเล่นไปโรงพยาบาลนือไปโรงพยาบาลอารถ์ให้อะไรให้ถ้าไปไม่มีประโยชน์เด็กก็ไม่รับรู้ไปเล่นอย่างนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้เร่นมันเด็กกัมันเร่นผู้ใหญ่มันต้องหยุดเล่นกันเนี่ย พระสงฆ์นี่พูดความเป็นจริงเน่นิมนต์ที่ไปไหนเจ้าขาไปเล่นโยมเท่านี้ก็เป็นอบัตแล้วพระนี่ไม่ใช่พระเล่นไม่ใช่นเีนเล่นไม่ใช่บวชมาเล่นถ้าญาติโยมถามว่านิมนต์ลูงตาไปไหนไปเล่นนี่ผิดแล้วมันขนาดอย่างนี้แต่ว่าทุกวันนี้มันเสื่อมโทรมไปเพราะอิ ก, กราบราบหนึ่งยศหนึ่ง ถ้ามีราบมีหยดสันตะเสริญมัก็ชูเกิดขึ้นมาอีกซะแล้วก็รืมเนื้อรืมตัวไปเสียอย่างนี้ก็ต่างคนต่างแย่งเอกอราบกันเท่านั้นแนี่ไอ้ความเป็นจริงที่ระบวดมาในพระพุทธศาสนานล้าไม่จำเป็นจะไปทำของอย่างนั้นทำให้มันดีๆกว่านั่นดีกว่า ย, ยกตัวอย่างเช่นโบสถ์วัดประพง์เรานะลูกศิษย์ร้ายคนเลยมาอ้อนวอนให้อัตมา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 ก็ได้ทำมาได้ดื้อได้ดื่อมาอย่างนี้นะก็ยังมีคนดีหลายคนมีคนดีมากที่จะไอ้สร้างบุญเพื่อเอาบุญจริงๆเน่ยมีมากตรงเนี้ยนะไม่ได้ไปที่ะไรใครไม่ได้ไปบอกบุญใครที่ไหนก็ไม่ได้ไปโบสถ์บางแห่งอัตมาว่าเมื่อทาชอบฟ้าหรือดุดีมีดแล้วะอนเช้ามาก็เอา ขึ้นรถยนต์วิ่งตลอดวันไปเถอะหลายกี่จังหวัดวเอามาฮะกลับมาเดี๋ยวกระทึงพรุ่งนี้ก็ไปอีกเอาอยู่อย่างนั้นแหละบทดังนั้นนานเสร็จมือกันมันนานเสร็จนะบทนี้เรียกว่าไม่มีอะไรมากที่ญาติโยมมาถวายไว้แม้ตั้งแต่สตางค์หนึ่งสองสตางค์ก็ตามแต่ไม่มีไปที่ไหน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 ไม่จำเป็นจะต้องเสียเงินเพราะพระไม่มีเงินลูกศิษย์ลุกหาประชาชนทั้งหลายกาลังเข้าใจกันจะไปโ น, น่นไปนี่ก็สะดวกถึงแม้ว่าจะเดินไปตรงไหนก็เดินไปเถอะอย่างพระฝรั่งมาอยู่ด้วยท่านอยากจะไปท่านก็เดินไปกรุงเทพเถอะผมไม่มีค่ารถจะส่งให้ท่านท่านก็เดินไปเดินไปเถอะท่านปฏิบัติไปแต่ไม่ถึงกรุงเทพหรอกไม่ถึงหลายกิโลละ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 ถวายเล่ามีขูงกับพระคนหนึ่งเอาใบแดงถวายพระสองคนนี้ถ้าหากว่าประชาชนเราดูกันก็เห็นว่าโยมกอเนี่ยมันผิดเอาเล่าไปถวายพระโยมขอน่ยมันถูกเอาเงินถวายพระจะได้เห็นกันอย่างนั้นอย่างน้อยเก้าสิบเปเซ็นต์เห็นมาเรามันไม่ควรเก็บระเงินมันควรเก็บระอย่างนั้น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 จะไปซื้อเงาะมาสักพวงหนึ่งซะหรือลาไยมาสักพวงหนึ่งซะซื้ออะไตนเองมาก็เอามาซะมาฉันเนื้อมันเอาเอามาล็ดมันหนึบกลับไปในดินนันน่ะมันเกิดขึ้นมาอีกเป็นต้นลาไยอีกพระองค์นั้นไปอยู่ร่มมันไม่ได้อยู่รมมันก็ไม่ได้ไม่ว่าจะจะไปกินมันเลยอยู่ร่มลาไยไม่ได้ออนายโยมะไม่ได้ จะไปซื้อผ้ากีวรมาไปซื้อเตียงมาเองอย่างเงี้ยมันนอนไม่ได้แต่วันมันนอนได้มันเปลี่ยนสจยงานแต่อันนี้ไม่รู้ซึ้งในจิตใจของมนุษย์ทางหลายในเวลานี้มิฉะนั้นมนุษย์เราทาั้งหลายจึงอุปถากตพระส่งเสริมพระในทางที่ไม่ถูกเห็นว่ามันถูกมันจึงมีความเสียหายเกิดขึ้นมามากอืฉะนั้นก็เรียกว่าเรานับถือพุทธศาสนานี้เราทําอย่างนั้นก็เรียกว่าเข้าใจว่าเรา ปฏิบัติศาสนาให้เจริญถาวรความเป็นกริงมันหยียบย่ําพุทธศาสนาห้ยับยืนไปแน่แต่เราคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจอย่างนั้นฉะนั้นวัดนี้อาตมาพยายามที่สุดไพยายามที่สุดถ้าเป็นวัดประโพงหรือสาขาวัดรประโพงแล้วจริงๆไม่มีไม่ทำไม่มีเงินในย่ามไม่มีเป็นอย่างนงนถ้าหากว่าเดินทางไปถวายค่ารถ ก็ให้เจ้าของรถเข้าไปเงินมีจะให้เงินปัจจัยของท่านด้วนๆนี่ไม่มีมิฉะนั้นทุกสาขานี่ที่ออกจากวัดตรงประพงษ์นี้ประมาณในเราวสักสามสิบกว่าสาขาเนี่ยทุกวันนี้เกือบจะถึงสี่สิบเล้ลอันนี้ก็ค่อยๆทํามาเรื่อยๆมาอย่างนี้นน่ะเป็นมาเรื่อ ย, ม า, อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาตลอดทุกวันนี้การสร้างวัดทุกแห่งก็จะเป็นไปใ น, นระเบียบอันเดียวกันนี้โดยมากจะต้องเป็นอย่างนี้ มิฉนั้นวันนี้จึงแห้แถลงให้ญาติโยมทั้งหลายให้รู้จักซะว่าพระวัดนงบโปงทำมาก็ทำมาเรื่อยๆมางี้มิฉะนั้นแต่พระไม่มีสตางค์แต่นีพ่พระมีพระวินัยมีข้อวัดปฏิบัติอืสมัยนี้ข้อวัดปฏิบัติเราไม่เกือบจะหมดกันแล้วมันหมดกันมันจะหมดกันแล้วฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่มา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 คล้ายๆก็มะเขือมะเขือต้นหนึ่งเราจะปลูกมันปีนี้ปีหน้าต้องถ่ายเอารูปใหม่ทําพันุ่จะเอาไอ้เมล็ดอันเก่าไปทําพันเรื่อยๆแต่มันก็เป็นมะเขือคื่นถึงนั้นเนี่ยมันเสียหายไปถ้าเราไม่ปฏิบัติให้เข้มงวดเกันในนี้ก็เรียกว่ามันหย่อนกันไปเสียถ้ามันหย่อนมันจะเป็นมันผิดมันผิดจากความจริงความจริงก็เรียกว่ามันถูกต้อง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 อัตมาต่อโกนเล่นโกนเล่นบวชโกนผมทําไมเขาถามโกนเล่นพอดีกันคำคำที่เขาถามเลยเลือกกันเลยเท่าเ น, นี้ยก็คือมันถามหาอัานเนื้อหาอะไรก็ไม่รู้มันเป็นอย่างไรอย่างงั้นคือไม่เข้าใจความจริงอืฉะนั้นพอดีปีนี้มีนักศึกษาจุฬาอืมนิสิตนักศึกษาจุฬาและกระดมคาแห้ง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 แด็ก็มันทําความเสื่อมไม่เมืองไทยสองอย่างมันดีทั้งนั้นเนี่ยถ้าว่าลูกหลานเราพวกนี้พวกศึกษาสูงสูงมีมีความถูกต้องอัตมาเห็นว่ามันเจริญในเมืองไทยเราเพราะมีแต่คนดีๆทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่คนไม่ดีมีคนคนมีความรู้อืมนะมีความรู้เมื่อมีความรู้แล้วนะ่ะเออมันก็ไปปฏิบัติไม่ปฏิบัติไปตามความรู้มันขาดจากความดี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 อบรมกันทุกวันเห็นมามันจะดีหรือไม่ดีอ่ะให้โยมอบรมลูกลูกทุกวันดิลองลองดูซิตอนเช้าก็อบรมตอนเย็นก็อบรมยืดเรื่อยๆนะถ้ามีลูกชายมันจะหนีไปจากบ้านนำคาญมันเนี่ยมันเป็นเช่งนั้นอาตมาบอกให้ฟังว่าพวกท่านทั้งหลายที่มาอยู่กับผมนี่ไม่ใช่บอกผมเป็นคู่สอนท่านนะผมสอนท่านไม่ได้แล้วท่านต้องสอนท่านเองลองดูสิว่า ที่วัดพระพงษ์นี่ที่วัดเขื่อนวรณโพธิยานนี้เป็นที่สงบเงียบนะครับสมกับผู้ประพฤติธปฏิบัติเหมือนกันกระโคมันกินหญ้าต้องเอามาปล่อยใส่สนามหญ้ามันก็ต้องกินหญ้าถ้ามันไม่กินหญ้ามันก็เป็นหมูเถอะนะไม่เป็นโคเลยคนมีศรัทธาต้องการความสงบต้องการคุณงามความดี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 บางทีมันบันหนึ่งมาจากเวนทบารเดินมาน้งพ่อรองพอ่อพานิพ่พานไปยังไงยุดเดี๋ยวเพิ่งพูดโดยไปฉันอย่างนั้นกันก่อนเรื่องปานี่พานมันเรื่องที่หลังเถอะเราตะปายบาดไปนี่มันเหนื่อยแล้วไปฉันอย่างขันถึงพูดกันนี่เป็นไซอย่างงี้จ้ะถ้าคนไม่รู้จักมันก็พูดเรื่องปิพานนี่มันฟังกนะันนะอืมเหมือนพูดอะไรให้คนหูหนวกฟังฮนะที่มันไปตามไม่รู้เรื่องนั้น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 โดยมากคนสอนคนนี่ทุกคนชอบว่ามันไม่สบายใจจึงสอนอย่างเราจะสอนลูกเรามันโกรธเราถึงสอนนก็ด่ากันเท่านั้นเนี่ยไม่ได้สอนกันดีแลนะถึงนั้นพ่อว่านจะสอนแม่ว่านก็มันโกรธเราถึงสอนอสนุก็ด่ากันเท่านั้นเนี่ยก็คนใจไม่ดีไปสอนกันทําไมอัตมาว่าจะไปสอนในเวลานั้นให้ใจสบายก่อนมันจะผิดยังไงก็เอาไว้ก่อนเถอะให้มันใจดีสก่อนนะเนี่ย อเช่นว่าพ่อบ้านแม่บ้านจะสอนเงินที่มันผิดมาเถ่อเวลาใจไม่ดีปล่อยไไนนะอมันไหมวันใดทานข้าวเย่ยมเยมสบายเลวคุณวันนั้นฉันสงสัยว่าไม่ค่อยดีนะไปพูดกับลูกอย่างนั้นไม่ค่อยดีนะวันนังอย่าไปทําอย่างนั้นก็รับฟังมันกินข้าวเยียมเีมเดี๋ยวนะ้อไอคนหิวไงโมโหไปพูดกันไอคนไ อ, ไอที่คนรับฟังก็หิวไอคนที่พูดก็มโมโหนั่งเอาไฟไปใส่กันเท่านั้นเนี่ย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 ให้ความดีมันไม่เป็นเวราไม่รู้จักโบูตรบาตรไม่รู้จักเวรามันก็เป็นไปไม่ได้อันนี้คเหมือนกันฉันนั้นอาหารที่มันอร่อยๆนะเราต้องสดเข้าทางปากเกิดประโยชน์ไหมเอาสดเข้าทางหูที่มันจะเกิดประโยชน์ไหยเอาสิลองลองดูสิอาหารอร่อยๆมันมีประโยชน์ไหมคนเรามันมีประตูมั้งเนี่ยต้องเข้าหาประตูมันอย่างนั้นทุกคนก็เป็นอย่างนั้นอาจารย์นั้นวันนี้มีโอกาส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 อัตมาสอนโยมไม่รู้รักเมื่อโยมไปสอนโยมเองนั่นแหละถึงจะรู้จักวันนี้จะเปรียบเปียบฟั ง, งง่ายเมื่อนี้ให้ผลไม้สองใบอัตมาไอใบนี้มันเปรี้ยวนะใบนี้มันหวานนะโยมก็เข้าใจกันก็นึกว่ามันจะเปรี้ยวมันจะหวานทั้งหมดนะเอมก็เข้าใจอย่างนั้นเมื่อเราไปชิมดูซะโอ้ยใบหนึ่งมันฝาดใบหนึ่งมันขม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 เอาแล้ววันนี้เลิกกันนะแด็กใครจะไปนั่งไปนอนกอน็อย่าลืมการภาวนาความดีของเราเนอะปีหน้าปีต่อไปขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนนะเดี๋ยมากราบมาไหว้เดี๋มาทำบุญด้วยสมัยก่อนเ็าเรียกโอ้ยภาคีศาลนี่มันแห่งแรงเหลือเกินไม่อยากจะมากันเนี่ย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 อันนี้ไปรถไม่กี่วันหมงอได้มันจะโตนี่ต้นพร้าวนี่กี่ปีมันจะได้กินนะเรียกกระโดดนี่ซะมันแห้งถึงหมดเสแล้วมันเป็นเช่นนี้ก็เหมือนคนโบราณนั่นแหละแต่ก่อนมันไม่มีมีขีดไฟน่ะมันเกิดจากหินจากเด็กกันนั่นไม้ไผ่อย่างเงี้ยนี่จะมาเอ้ยไฟมันอยู่ที่ไม้ไผ่นี่นะเนี่ยเอาไม้ไผ่สองซี่มาสีกันเกิดไฟเท่านั้นแหละเราเลยยินคนนึกว่ามันจะง่ายๆนะเอาไม้ไผ่สองซี่มาสีกันเนี่ยมันเกิดไฟ สีไปเรื่อยๆสีไปมันจะเกิดเหมือนกันเน่ยบางทีมันถึงฟัวรออกแล้วคนเหนื่อยขี้เกียจก่อนหยุดหยุดมันก็เย็นแล้วนะเริ่มใม่อีกชวนจะมีไฟเริ่มก็เย็นอีกแล้วทาไมไม่มีไฟความร้อนมันไม่สมดุลกันมันก็ยังไม่มีใจเรามันร้อนไปก่อนที่นนั้นก็เลยบบซีไม่ไพ่เนี่ยไม่มีไฟไม่ําปลนอยไฟไม่มีก็พอเราทําไม่ถึงที่มันเราขี้เกียจก่อนจะ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 มีอยู่ในตัวในตนทุกๆคนจะพูดในฟังอย่างนี้ฉะนั้นของจะเป็นโอปนายิกธรรมให้น้อมคาสอนนี้เข้าไปพิจรารณาจะได้เห็นทุกสิ่งทุกส่วนทุกประการในกายในจิตจของเจ้าของทั้งนั้นแหละที่เรียกว่าไม่รู้ก็คือไม่รู้จกทุกข์ไม่รู้จะเกตดในเกิดทุกข์ไม่รู้ความหลับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติไม่ถึงความหลับทุกข์อันนี้เรียกว่าเราไม่รู้ทั้งนั้นน่ะ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 ไอความเป็นจริงดันดลัมาวันคืนมันร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่น่ะวันคืนร่วงไปร่วงไปคือชีวิตเดิมมันหมดไปหมดเลยทาอะไรอยู่ไหมวันเนี้ยวันนี้คิดอะไรอยู่ไหมทําอะไรอยู่ไหมผิดไหมถูกไหมดีไหมชั่วไหมทําอะไรอยู่เดี๋ยวเนี้ท่านเนี่ยสอบสวนเจ้าของอย่างนี้เองถ้าเราคิดเช่นนี้มันก็เห็นความผิดถูกที่ตัวของเจ้าของเมื่อรู้จักผิดถูกก็รู้จักที่แก้ไข ถ้ารู้จักที่แก้ไขก็มันก็ถูกต้องอันนี้เรื่องการภาวนานะแค่นั้นมันก็เป็นบุญเป็นกุศลถ้าเราแก้สิ่งที่มันผิดเดีผิดเป็นก็หมดเฉะนั้นอันนี้เป็นโอวาทธรรมะคําสอนสอนให้ในวันนี้ขอฝากชาวนะครหลวงไปพิจรารณานะอันนี้ที่าตามความรู้สึกให้ฟังอันนี้เรียกว่าธรรมะไม่มีต้นไม่มีปลายเป็นธรรมะตรงนั้นเนี่ยอยู่ในเนี่ย